ปาราชิกสิกขาบทที่สองว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร8ปสบสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณภนะูเขาขิจกูดเขตกรุงราชครืิกิุหลายรูปเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันช่วยกันทำกุฎีมุงยตาอยู่จำบรรษา ที่เชิงภูเขาอิซิคิริท่านพระธนิยะกุมภการบุตรก็ทำกุดีมุงหญ้าอยู่จำบรรสาในที่นั้นต่อเมื่อล่วงไตรามาสไปแล้วภิกษุเหล่านั้นหรือกุดีมุงหญ้าเก็บหญ้าและตัวไม้ไว้แล้วพากันหลีกจะริบไปในชนบทส่วนพระธนิยะกุมภการบุตรยังพักอยู่ที่นั้นตลอดฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อน วันหนึ่งเมื่อท่านไปบินทบาตในหมู่บ้านคนหาบหญ้าคนหาฟืนหรือกุฎีหญ้าของท่านแล้วคนเอาหญ้าและไม้ไปท่านพระธนยะกุมภการบุตรได้หาย้าและไม้มาทำกุฎีหญ้าเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเมื่อท่านไปบินธบาทในหมู่บ้านคนหาบหญ้าคนหาฟืนได้รื้อกุฎีหญ้าของท่านแล้วขนหญ้าและไม้ไป เป็นครั้งที่สามท่านคิดว่าเมื่อเราไปบินทบาทในบ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนหรือกุดดีหญ้าแล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งเรามีการศึกษาดีไม่บกพร่องสำเร็จศิลปะช่างหม้อเทียบเท่า อ, อาจารย์อยากระนั้นเลยเราพึงขยาโคลนทำกุดดีดินล้วนด้วยตัวเองดังนั้นท่านจึงขยาโคลน ก่อดูดีดินล้วนและรวบรวมหญ้าไม้และขี้วัวแห้งมาสมไฟเผากุดีนั้นจนสุกกุดีนั้นงดงามน่าดูน่าชมมีสีแดงเหมือนสีแมลงค่อมทองวงเล็บเวลาลมพัดส่งเสียงเหมือนเสียงกระดึง8ิบหต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิจกูดพร้อมกับภิกษุจำนวนมาก ทอดพระเนตรเห็นกุฏิอันงดงามน่าดูน่าชมตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายนั่นอะไรน่าดูน่าชมสีเหมือนแมลงค่อมทองครั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทําของโมฆะบุรุษนั่นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเลยฉะไห น, นโมฆะบุรุษจึงขยําโคลนก่อกุฎีดินล้วนเล่าโมฆะบุรุษนั้นชื่อว่าไม่ได้มีความเอ็นดูความอนุเคราะห์ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายพวกเธอจงไปทําลายกุฎีนั้นเสียอย่าให้เพื่อนพรหมจรีในภายหลังได้เบียดเบียนหมูสัตว์เลยภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทํากุฎีดินล้วนภิกษุใดทํา ต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธดีกาแล้วพากันไปที่กุฎีช่วยกันทําลายกุฎีนั้นในขณะนั้นท่านพระธนยะกุมภการบุตรมาถามภิกษุเหล่านั้นว่าทําไมพวกท่านจึงทําลายกุฎีของกระผมท่านพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทําลายถ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นธรำสามีรับสั่งให้ทําลาย ก็ทำลายเถิดแ6ต่อมาท่านพระธนิยะกุมภการะบุตรคิดว่าเมื่อเราไปบินท บ, บาทในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนมารื้อกุดดียญ้าขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุดดีดินล้วนที่ทำไว้พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งให้ทำลายเรารู้จักพนักงานป่าไม้ที่ชอบพอกันอย่ากระนั้นเลยเราควรขอไม้มาทำกุดดีไม้ แล้วไปหาเจ้าพนักงานป่าไม้กล่าวว่าเจริญพรเมื่ออาตมาไปบิธฑบาตในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฟือนอไปรื้อกุดีหญ้าขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม่กุดีดินล้วนที่ทำไว้พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งให้ทำลายท่านจงให้ไม้แก่อาตมาอตาตมาต้องการจะทำกุดีไม้เจ้าพนักงานป่าไม้ตอบว่า กระผมไม่มีไม้จะถวายพระคุณเจ้าได้ขอรับจะมีก็แต่ไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นถ้าพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้พระราชทานพระคุณเจ้าก็ให้คนไปขนเอาเถิดท่านพระธนิยกุมภกา ร, รบุตรกล่าวว่าเจริญพรพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้นั้นแล้วลำดับนั้นเจ้าพนักงานป่าไม้คิดว่า พระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสงบ ป, ประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินยังทรงเลื่อมใสามากพระธนิยะคงไม่กล้าพูดสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่ได้พระราชทานว่าได้พระราชทานแล้วลำดับนั้นเจ้าพนักงานป่าไม้จึงกล่าวกับท่านพระธนิยะดังนี้ว่า นิมน์ท่านให้คนขนไปเถิดขอรับท่านพระธนิยะสั่งให้ตัดไม้เหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บรรทุกเกวียนไปทำกุ ด, ดีไม้